ปุญญาถาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตอ่านโดยอริยคุณในโอกาสนี้อัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญาถาเพื่ออนุโมทนากุศลบุญราศีในการที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญกุศลทักินานุปทานเพื่ออุทิศแด่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งวันนี้จะได้มีพิธีชาปนากิจขณะท่านเจ้าภาพอันมีครอบครัวและญาติมิตรที่เคารพนับถือได้มาร่วมกันจัดงานทําบุญโดยตลอดมาแต่เบื้องต้นได้มาร่วมพิธีกันเป็นการให้กําลังกายบ้างกําลังใจบ้างหรือทั้งกําลังกายทั้งกําลังใจบ้างทําให้งานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานนี้ดําเนินมาด้วยดี การบำเพ็ญกุศลครั้งนี้มองในรูปที่ปรากฏทั่วไปย่อมเห็นกันว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีของชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วอันนี้นับเป็นส่วนของประเพณีแต่ถ้ามองลึกลงไปประเพณีนี้ยังมีสิ่งที่เป็นรากฐานอันมีความหมายลึกซึ้งในทางนามธรรม กล่าวคือเป็นพิธีเป็นประเพณีที่ยิงอยู่กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นการดำเนินตามหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไว้ให้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตามหลักพระพุทธศาสนานั้นชาวพุทธเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นจะปรารฏเหตุการณ์นั้น และทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีงามในเรื่องของความตายนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตแต่ลำพังการตายอย่างเดียวนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้เกิดมาแล้วก็จากไปตามคติธรรมดาและเมื่อจากไปแล้วก็เป็นการล่วงลับไม่หวนกลับมาอีกไม่ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่สาเร็จทาอย่างไรอย่างไร ก็ไม่มีผลแต่พุทธศาสนิกชนนั้นปรารบความตายอย่างนี้แล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งได้ผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกล่าวคือประการที่หนึ่งก็ได้อุทิศกุศล น, นั้นแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วประการที่สองผู้ที่เป็นพี่น้องและมิสหายเป็นต้นก็จะได้บำเพ็ญคุณธรรม เปล่าวคือกตัญญูกตาเวทิตาธรรมแสดงความรำลึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่านผู้ล่งลับไปแล้วซึ่งเป็นญาติและมิตรสหายของตนนอกจากนี้ในส่วนตัวของผู้ที่ทำบุญนั่นเองก็เป็นการสร้างความเจริญงอกงามในทางบุญทางกุศลสะสมบุญคือความดีไว้ในชีวิตของตนให้มากขึ้นด้วย ว่าที่จริงการปรารบเหตุการณ์คือความตายแล้วกระทาบุญนั้นมีทางทําได้หลายประการด้วยกันในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงบุญไว้ต่างๆมากมายแต่เมื่อสรุปแล้วก็มีสามอย่างคือทานการให้การบริจาคอย่างหนึ่งศีลความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายวาจาอย่างหนึ่งภาวนา การฝึกอบรมจิตใจและฝึกอบรมเจริญปัญญาอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสประการในการบำเพ็ญกุศลเมื่อรำลึกถึงผู้ล่งลับไปแล้วก็สามารถที่จะทำบุญให้เกิดขึ้นได้ทั้งสาหมวดหรือสประเภทเหล่านี้ในประการที่หนึ่งคือทานนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นที่เห็นได้ง่าย ปรากฏภายนอกทางวัตถุคือเมื่อปรารบถึงท่านผู้ถึงแก่กรรมไปแล้วเจ้าภาพก็พากันทำบุญทำกุศลนิมนต์พระสงฆ์มาถวายพัตตาหารถวายเครื่องทายทธรรมต่างๆอันนี้เป็นส่วนเบื้องต้นเป็นพิธีกรรมส่วนสามัญที่กระทากันซึ่งเป็นการอุทิศกุศลแก่ท่านผู้ลงลับไปแล้วและเป็นการเกื้อกูลต่อพระศาสนา โดยถวายกำลังแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนากิจแต่ทานนั้นไม่ใช่หยุดเพียงเท่านี้ท่านผู้มีความดารีชอบประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นเรื่องของชีวิตมาปรารบถึงความตายว่ากติธรรมดาของชีวิตคนก็คือการเกิดการเจ็บแล้วก็ตายอย่างที่กล่าวกันว่าคนทั้งหลายนั้นมาก็มาแต่ตัว ไก็ไปแต่ตัวสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าเป็นสมบัติพัสถานซึ่งได้รวบรวมสั่งสมเอาไว้นั้นจะมีมากมายเท่าใดก็ไม่สามารถติดตามไปได้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้สามารถบรรเทาโลภคือความโลภความยึดติดความอยากได้ในสิ่งทั้งหลายให้น้อยลงเมื่อบรรเทาความโลภให้น้อยลง พร้อมทั้งมัชริยะคือความตรรีที่เป็นตัวเนื่องอยู่กับความโลภในทรัพย์สมบัติแล้วก็จะทำไม่สามารถบาเพ็ญทานคือการให้การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์บ้างบูชาคุณความดีของบุคคลที่มีคุณความดีบ้างนำทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์จะนำมาใช้สอยเลี้ยงดูบุคคลในความรับผิด ช, ชอบก็ได้บาเพ็ญประโยชน์ต่างๆก็ได้ ศับนั้นก็มีประโยชน์มากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนของ่านซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการปรารบถึงคติชีวิตในส่วนที่เป็นความตายในประการที่สองคือศีลเราอาจจะปรารบถึงความตายดังที่กล่าวเมื่อกี้นี่ว่าคนเรานั้นเกิดมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวนอกจากนั้น ก็ยังไม่ละทิ้งอะไรไว้ด้วยถ้าจะว่าละทิ้งก็ละทิ้งเพียงร่างกายซึ่งก็ไม่คงอยู่ทาวรเพียงไม่กี่วันร่างกายนั้นก็เน่าเปื่อยผุพังไปกลายเป็นอย่างที่เรียกกันว่าธาตุสี่แยกเป็นดินน้ำลมไฟกระจัดกระจายไปกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรเหลือหลออยู่เป็นรูปร่างเป็นบุคคลอันนี้เป็นสภาพภายนอกเป็นเรื่องทางวัตถุ ทางรูปกายไปแต่ตัวมาแต่ตัวแล้วก็มีเหลือทิ้งอะไรไว้แต่ถ้ามองลึกซึ้งลงไปอีกก็จะเห็นว่าความจริงนั้นยังมีอะไรที่ทิ้งไว้แล้วก็ยังมีอะไรที่ตามไปอีกจะมองเห็นได้ตามคําสอนของพระศาสนาว่ามาแต่ตัวไปแต่ตัวนั้นก็ยังมีสิ่งที่ตามไปได้อย่างหนึ่งและเมื่อมามันก็มาด้วย สิ่งนั้นก็คือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับเราและเสร็จแล้วมันก็ตามตัวเราไปด้วยถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบุญกรรมซึ่งจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายสืบต่อไปดังพุทธพจน์ที่ว่าปุญญานิปัรโลกัสมิงปฏิทถาหุนติปานิหนังแปลว่า บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปอระโลกอันนี้เป็นส่วนที่ติดตามไปในฝ่ายละทิ้งก็เช่นเดียวกันคนที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นยังละทิ้งสิ่งหนึ่งไว้เบื้องหลังคือความดีความชั่วที่ได้ทำไว้สิ่งใดที่ได้ทำไว้แล้วก็ยังเจ้ากอยู่บางอย่างก็ออกผลเป็นวัตถุเช่นว่า ท่านผู้มีใจบุญใจขูศสได้สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว้สิ่งนั้นก็เป็นหลักฐานแสดงความดียั่งยืนอยู่หรือที่เป็นนามธรรมได้ทำความดีเกื้อกูลอุปการะไว้กับผู้อื่นเริ่มต้นตั้งแต่บุตรหลานเป็นต้นไปความดีนั้นก็ฝังอยู่เจ้ารึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุตรหลานและท่านที่ได้รับคุณประโยชน์ อันนี้เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้รวมความว่าสิ่งที่ติดตามไปก็ดีสิ่งที่ลาทิ้งไว้ก็ดีก็ได้แก่ความดีความชั่วผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นหลักดังที่กล่าวมาแล้วนี้ถึงคิดว่าควรจะดำ m รงชีวิตของตนให้อยู่ในแนวทางที่ดีงา ม, มเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจากโลกนี้ไปก็จะได้มีกรรมดีติดตัวไป และเหลือละทิ้งไว้ซึ่งความดีนั้นอันเป็นประโยชน์แก่คนเบื้องหลังให้คนที่อยู่เบื้องหลังได้จดจาราลึกถึงนทางที่ดีงามยกย่องนับถือเป็นบุคคลที่น่าเคารพ บ, บูชากันสืบต่อไปการที่จะกระทากามดีอย่างนี้ก็คือการดาเนินชีวิตให้อยู่ในคลองธรรมเริ่มด้วยเป็นผู้มีศีลดารงอยู่ในศีลทั้งหลายตั้งแต่ศีลห้า คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสังหารชีวิตผู้อื่นที่เรียกว่าปานาติบาตงดเว้นจากการล่วงละเมิดในทรัพย์สินผู้อื่นจัด ก, การลักขโมยแย่งชิงที่เรียกว่าอทินาทานงดเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศที่เรียกว่ากาเมสุมิชฌาจานงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาคือการกล่าวเท็จทำลายประโยชน์ของเขา ที่เรียกว่ามุสาวาตและงดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาที่เป็นเหตุให้หลงลืมเสียสติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทที่เรียกว่าสุราเมิรยะมัชชปมาทฐานนี้เป็นหลักสำคัญในฝ่ายหลีกพ้นความเสื่อมนอกจากนั้นก็ดำเนินชีวิตในทางเกื้อกูลในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดีทาให้สังคมนี้มีความสงบสุข อย่างนี้ก็เป็นคติอย่างหนึ่งที่เราสามารถปรารบเรื่องความตายแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนและของผู้อื่นได้ซึ่งเป็นด้านที่เรียกว่าศีลคือความประพฤติดีงามหรือความประพฤติ ช, ชอบทางกายทางวาจาขั้นต่อไปในการปรารบถึงความตายนั้นก็จะสามารถทำบุญขั้นสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าภาวนา ภาวนาคือการฝึกอบรมจิตใจและฝึกอบรมปัญญาคือทำจิตใจของเรานี้ให้มีความสงบปราศจากกิเลสเครื่องมัวหมองให้มีความสุขให้ผ่องใสตลอดจนให้เจริญด้วยคุณธรรมความดีงามต่างๆและเจริญด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายตัวอย่างที่เห็นง่ายๆตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความตายอันเป็นส่วนภาวนานั้นก็คือหลักที่เรียกว่ามรณนะสติแปลว่าสติระลึกถึงความตายการระลึกถึงความตายนั้นเป็นวิธีฝึกอบรมจิตใจอย่างหนึ่งแต่จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องที่ว่าระลึกถึงความตายแล้วจะทำจิตใจของตนให้เจริญงอกงามนั้น จะต้องรำลึกโดยถูกต้องด้วยบางคนระลึกถึงความตายแล้วก็ไม่สบายใจมีความหวาดกลัวจิตใจฟุ้งซ่านกระวนกระวายอย่างนี้เรียกว่าระลึกไม่ถูกต้องระลึกแล้วเกิดโทษการระลึกให้ถูกต้องนั้นก็คือการระลึกยังรู้เข้าใจคติธรรมดาพิจารณาให้เห็นว่า ชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้นเกิดมาแล้วดำรงอยู่ในที่สุดก็ต้องจากไปด้วยความตายดังที่มองเห็นอยู่โดยมีประจักษ์หลักฐานมากมายอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเราก็จะต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงแล้วโน้มเข้ามาสู่ชีวิตของตนเอง พิจารณาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่ามีความตายเป็นที่สิ้นสุดแล้วประการแรกก็คือควรจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ลุ่มหลงมัวเมาสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี้เราไม่สามารถยึดถือเป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริงมันไม่ใช่เป็นของเราจริงจังอะไร เป็นแต่สมมติกันขึ้นมาแล้วใช้ประโยชน์ได้เราก็พึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์คือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองบ้างของผู้อื่นบ้างอย่าไปลุ่มหลงมัวเมายึดติดจนกระทั่งเกิดเป็นโทษแก่ตัวเองเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพลัดพรากจากไปคนที่ไม่มีสติไม่เคยละลึกถึงหลักที่เรียกว่ามรณสตินี้ ก็จะมีความทุกข์มากเพราะว่ามีความยึดติดเหนียวแน่นอยู่กับสิ่งทั้งหลายรู้สึกว่าตนจะต้องถูกพรากไปออกไปจากสิ่งเหล่านั้นก็มีความบีบคั้นขับแค้นจิตใจแต่สำหรับคนที่รู้เท่าทันคติธรรมดาแล้วก็วางใจได้ทำใจได้จิตใจก็สงบปลอดโปร่งมีสติแม้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไป ไม่ต้องพูดถึงมาจากโลกนี้ไปหรอกแม้เมื่อเวลาที่ยังเดิมรงชีวิตอยู่นี้เองก็อยู่ด้วยความไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งทั้งหลายปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการที่จะมีจะครอบครองจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์เกินสมควร ประการต่อไปนอกจากไม่ลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเรื่องของความตายนี้มีหลักของความจริงอยู่ว่ามันจะต้องมาถึงแก่ชีวิตทุกชีวิตอย่างแน่นอนอันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในความที่ว่าแน่นอนจะต้องถึงแก่ความตายนั้นก็มีความไม่แน่นอนที่ว่าเราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่า มันจะมาถึงเมื่อใดจะกำหนดว่าคนนี้อายุน้อยยังเด็กยังหนุ่มสาวจะยังอยู่ไปได้อีกนานนั้นก็ไม่แน่นอนจะว่าคนแก่จะต้องไปก่อนอันนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันบางครั้งคนเด็กคนหนุ่มคนสาวมีเหตุทำให้ต้องจากไปก่อนก็มีคนบางคนที่ว่าน่าจะอยู่ไม่ได้นานบางทีก็กลับอยู่ไปนาน คนที่คิดว่าจะนานก็กลับจากไปก่อนอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกำหนดได้ในเมื่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนี้ไม่มีความแน่นอนดังกล่าวนี้ท่านจึงให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือจ้องมองดูว่าเวลาที่ผ่านไปนี้เราจะต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นดำเนินชีวิตให้ดีงามมีกิจมีหน้าที่อะไรก็เร่งทำ อย่าผัดผ่อนเวลาอย่าให้เวลาผ่านไปเสียเปล่าเร่งขวนขวายทำความดีงามทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้อย่างนี้เรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการปรารบถึงความตายด้วยหลักการที่เรียกว่ามรณสตินอกจากนั้น ตามคติพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าคนเรานี้ที่เกิดมาได้มาพบปะ ก, กันบ้างต้องมาพบปะ ก, กันบ้างนั้นต่างคนต่างก็จะต้องแยกย้ายกันไปในที่สุดเรามีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันถึงจะนานหลายปีหลายสิบปีแต่ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเวลานั้นก็ไม่ยาวนักแม้ในเวลาที่ไม่ยาวนานนี่เอง คนเราเพราะอาศัยอำนาจกิเลสก็เบียดเบียนแก่งแย่งแข่งขันแย่งชิงกันต่างๆนานาเถ้าเรารู้คติธรรมดาของชีวิตอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเราอยู่กันไปไม่ช้าไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปทั้งหมดนี้เราก็ควรจะอยู่ด้วยความเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันท่านสอนว่า ในเวลาที่ผู้ใดผู้หนึ่งถึงแก่กรรมจากไปเราควรจะรู้เท่าทันว่าอันนั้นเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาของท่านท่านก็ต้องจากไปแล้วก็ทำใจได้ไม่มัวเศร้าโศกอยู่ถึงท่านผู้ล่วงลับแต่ควรหันกลับมาพิจารณานึกถึงคนที่อยู่ร่วมกันนี่ลหละว่าอย่ามัวไปเศร้าโศกถึงท่านผู้ล่วงลับไปเลยเรามาอยู่ร่วมกันในหมู่ผู้ที่ยังเหลืออยู่นี่หละ ด้วยความเมตตาปราณีให้มีความสุขเถิดแล้วเมื่อถึงเวลาจากไปจะได้ไม่ต้องเศร้าโศกละห้อยหาจะได้สบายใจว่าเมื่อยามอยู่เราก็อยู่กันด้วยดีแล้วไม่ใช่รอแต่ว่าถึงเวลาจากไปก็เศร้าโศกกันทีตอนที่อยู่กลับละเลยไม่ได้คำานึงพิจารณาเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่นี่แหละเป็นเวลาสำคัญ ท่านจึงว่าอย่ามัวเศร้าโศกถึงผู้ที่จากไปแล้วให้มีความเมตตาปราณีเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ที่ยังอยู่นี้นี้ก็เป็นคติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้จากการพิจารณาหลักที่เรียกว่าเมรณสติดังที่ได้กล่าวมาซึ่งเป็นประโยชน์ในส่วนที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการฝึกอบรมจิตของตน ผู้ที่พิจารณาถึงความตายด้วยความรู้เท่าทันและนำจิตไปได้ถูกทางอย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายไม่มีความหวาดกลัวนอกจากนั้นจิตยังจะเจริญก้าวหน้างอกงามในทางคุณธรรมความดีเช่นมีกุศลเจตนาตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะประพฤติดีงามจะไม่ประมาทจะมีเมตตาไมาตรจิตต่อเพื่อนมนุษย์เป็นต้น เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นนอกจากนี้ถ้าหากว่ามีปัญญารู้เท่าทันความจริงสูงยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถึงความไม่เที่ยงแท้ความดำรงคงทนอยู่ไม่ได้และความมิใช่ตัวตนถ้าเข้าใจถึงขั้นนี้แล้วก็เห็นหลักที่เรียกว่าไตรลักษ อาจจะทาให้จิตใจของผู้นั้นถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระหลอดโปร่งผ่องใสได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นจิตที่รู้เท่าทันธรรมดาของสิ่งทั้งหลายถ้ารู้ถึงขั้นนี้แล้วแล้วรู้ทะลุปลุกโ่งเข้าใจแจ้งในชีวิตก็จะถึงกับบรรลุความสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันตก็ได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาปรารความตายนั้น จึงสามารถนำมาใช้ทาประโยชน์ได้ทุกขั้นตอนดังที่อาตมาภาคกล่าวมาตั้งต้นแต่การบำเพ็ญทานอันเป็นเรื่องทางด้านกายด้านวัตถุที่ปรากฏภายนอกตลอดกระทั่งให้เจริญงอกงามในทางจิตปัญญาจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลก็ได้บรรลุพระนิพพานก็ได้โดยนัยยะดังที่ได้แสดงพระธรรมเทศนามา นบัดนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ปรารบมรณกรรมของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วและมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ ต, ตามฐานะหน้าที่ของตนมีความกระตันอยู่กระตาเวทีบ้างมีญาติธรรมบ้างสังหะธรรมบ้างได้มาร่วมทาบุญบาเพ็ญกุศลด้วยกันเมื่อท่านผู้ล่วงลับไปได้รู้ได้เข้าใจยังเห็นถึงบุญกุศลความดีงามต่าง ที่คณะเจ้าภาพได้บำเพ็ญในโอกาสนี้ท่านก็ย่อมมีจิตยินดีอนุโมทนาการอนุโมทนาของท่านผู้ที่โล่งลับไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะทำให้บุญนั้นสาเร็จผลเมื่อเข้าใจหลักเช่นนี้แล้วท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นผู้บาเพ็ญกุศลนั้นก็จะต้องทำจิตใจของตนเองให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยเช่นกัน เพราะว่าด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ละ่ะจะเป็นเครื่องช่วยทำให้ท่านผู้จากไปมีความอนุโมทนาได้ยิ่งเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าไหร่ทางฝ่ายผู้ล่วงลับไปก็ยิ่งสามารถปราบปลื้มอนุโมทนาได้มากขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปรารบถึงมรณกรรมคือความตายและบำเพ็ญบุญตามที่อัตมาภาพได้กล่าวมา เป็นส่วนทานบ้างเป็นส่วนศีลความประพฤติดีงามบ้างเป็นส่วนภาวนาทำจิตใจของตนเองให้สงบผ่องใสและได้ปัญญาบ้างทั้งหมดนี่แหละยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ตายผู้ล่วงลับและแก่ตนเองมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ท่านเจ้าภาพ ตลอดถึงญาติมิตรผู้ที่มีความหวังดีทั้งหลายจะพึงสำรวมจิตใจให้สงบผ่องใสแล้วรำลึกถึงว่ากิจที่ตนควรจะทำเพื่อท่านผู้ลงลับจากไปอันเป็นหน้าที่นั้นตนได้กระทำแล้วการรำลึกว่าสิ่งที่ตนควรทำได้ทำแล้วก็เป็นเหตุประการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราสงบผ่องใส หายความโศกเศร้าไปได้และในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเราก็ได้ทำจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ดีงามรำลึกถึงแต่สิ่งที่เป็นคุณธรรมตั้งใจในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นสืบต่อไปด้วยบุญด้วยกุศลเหล่านี้ที่รำลึกด้วยจิตใจอันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนที่มามีจิตใจรวมกันเป็นเอกฉันในการที่จะอุทิศกุศลแด่ท่านผู้ล่วงลับไปเมื่อรำลึกเช่นนี้แล้วก็ตั้งใจแผ่จิตอุทิศกุศลให้แก่ท่านก็จะสำเร็จเป็นปฏิทานใมัยบุญกิริยาและในส่วนของท่านผู้ล่วงลับก็เป็นปัตตานุโมทนามัยสืบต่อไป ในวาระนี้อัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในปุญญาถาแสดงเรื่องบุญโดยปรารบเรื่องคติธรรมดาแห่งชีวิตคือความตายอันจะทำให้เกิดประโยชน์เป็นบุญความเจริญงอกงามในความดีก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพจงได้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตาย ดังพระบาลีอนุโมทนาที่อัตมาภาพจะได้กล่าวต่อไปแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลายุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนิด